สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่25นะครับภายใต้หัวข้อย่อยเรื่องพระเยซูเผชิญการทดลองเป็นครั้งที่สองนะครับพี่น้องครับบางคนถามบอกว่าทําไมพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพระเยซูเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันนะครับทําไมจะต้องถูกทดลองด้วยพี่น้องครับคําตอบสั้นๆเหมือนเมื่อวานนี้ครับก็คือ he is human พระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เ็นตนะครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูถึงเรื่องของการถูกทดลองนะครับการถูกทดลองของพระเยซูนั้นเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นได้ถูกทดลองหลายครั้งครับนะฮะไม่ใช่ตอนนี้นะครับสามครั้งนะครับแต่ยังมีบันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สี่ข้อสิบสามและตอนอื่นๆนะครับในมัทธิวบทที่สิหกข้อยี่สบเจ็ด หรือในพระธรรมลูกาบทที่ยีย่บสองครับก็บันทึกถึงการถูกการที่พระเยซูนั้นได้รับการทดสอบทดลองนะครับจากมารซาตานแต่แม้การ น, นั้นก็ตามครับพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปพระองค์ไม่เคยทําบาปเลยนะครับพระองค์ไม่เคยปฏิบัติ norm กับการทําบาปหรือความบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าพระเยซูทรง อยู่เหนือการทดลองทรงเอาชนะการทดลองทุกครั้งเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับนั่นเป็นความหวังใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเมื่อเราอยู่ในโลกนี้เรามีความหวังนะครับที่สูงมากเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะเรามีสิทธิที่จะเราเป็นไปได้ที่จะชนะการทดลองทุกๆครั้งกับพี่น้องครับ เพราะว่าระเยสุกิจ้าของเราทรงเป็นมนุษย์ร้อยปอร์เซ็นครับแต่พระองค์ก็ไม่เคยทํำบาปพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองของพระเยซูพี่น้องครับบางคนก็ถามว่าทําไมต้อง40วันด้วยนะครับทําไมต้อง40วันด้วยคําตอบก็คือว่ามีหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคําว่า40นะครับหรือตัวเลข40นั้นเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์นะครับเราจะเห็นว่าการทด การถูกทดลองหรือการเผชิญกับการทดลองของพระเยซูนั้นอาจจะเปรียบเทียบได้กับโมเสสนะครับโมเสนั้นขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับได้พบกับพระเจ้าในอพยพบทที่สามสิบสี่นะครับนะได้พบกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าสี่สิบวันนะครับก็เหมือนกับที่พระเยซูได้ถูกได้ขึ้นไปในถิ่นทุกกันดารนะครับการที่พระเยซูนั้นอดอาหารนะครับ ก็เหมือนกับพี่โมเสสได้ขึ้นไปอยู่ในถิน่นในถิ่นทรกันดาลขึ้นไปอยู่บนภูเขาพบกับพระเจ้านะครับหรือเอลิจานะครับในหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ก้าก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นวันเวลาที่ได้เฟสติ้งก็คือการอดอาหารครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับมีสามนะครับมีสามผลสืบเนื่อง หรือสามสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงรเผชิญกับการทดลองและพระรเยซูได้ชนะการทดลองนะครับสิ่งแรกก็คือว่าพระองค์นั้นมีฤทธานุภาพนะครับที่จะทําลายที่จะทําลายพลังอํานาจของมารซาตานได้และในขณะเดียวกันพระองค์ก็สามารถที่จะปลดปล่อยนะครับใครก็ตามรวมทั้งเราด้วยครับที่เคยถูกผูกมัด หรือว่าได้ถูกผูกมัดนะครับให้เป็นธาตุของการกลัวความตายกลัวมารซาตานทั้งหลายพี่น้องครับในพระธรรมฮีบรูบทที่สองข้อสิบห้านะครับอยากให้พี่น้องลองเปิดอ่านดูนะครับพี่น้องจะเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้นะครับผลสืบเนื่องประการที่สองครับนะครับผลสืบเนื่องประการแรกเราจะเห็นถึงลิขนุภาพของพระองค์แลการช่วยเหลือปลดปล่อยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเรา ผลสืบเนื่องประการที่สองก็คือว่าพระองค์นั้นได้ถูกยกย่องนะครับให้เป็นไฮปริสไฮพริสหมายถึงความถึงมหาปุโรหิตครับมหาปุโรหิตที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตาทรงไว้ซึ่งความสัตย์ซื่อนะครับที่ในการรับใช้พระเจ้าและได้เป็นผู้ที่ทําให้ความบาปของเรานั้นได้สลายไปนะครับกําจัดความบาปของเราทั้งหลายไปอันนี้ก็บันทึกอยู่ในฮีบรูตอนเดียวกันครับ ในข้อที่สิบเจดนะครับของบทที่สองและนะครับประการที่สามครับเป็นประการสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือโปรงนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจเห็นอกเห็นใจเราได้ในเรื่องอะไรครับในเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องของสิ่งต่างที่เราอาจจะพ่ายแพ้ต่อการทดลองได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับ เพราะว่าอะไรครับเรามีพระเจ้าผู้ที่เข้าใจเราในทุกๆด้านในความอ่อนแอของเรานะครับในความไม่สมบูรณ์ของเราไม่สมประกอบของเราทั้งหลายพี่นะครับในวันนี้สามสิ่งนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโรงถูกเท็มหรือถูกนะการทดลองจากมารซาตานนะครับการทดลองทุกครั้งครับพระเจ้าจะให้ให้กาลัง นะครับเพียงพอที and the and the 13, 13 17, ่เราจะทนได้เราจะผ่านได้และเราจะหลีกเลี่ยงได้ครับพี่น้องครับเราจะทนได้เราจะผ่านได้และเราจะหลีกเลี่ยงได้และหลังจากการทดลองของประชิญการทดลองของพระเยซูแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับในพระมัทธิวบทที่สามข้อสิบสามถึงสิบเจ็ดนะครับเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นได้ส่งทูตสวรรค์มาโคนิบัติพระองค์ครับพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากครับเราเองนะครับ เราก็มีความหวังว่าขณะที่เรานะครับเผชิญการทดลองกําลังเรามาจากไหนครับกําลังเรามาจากพระวินญาณบริสุทธิ์ครับนะครับและเราก็ยังมีทุสวรรค์นะครับที่พระเจ้าส่งมานะครับช่วยบวหนิบัติช่วยป้องกันเราอีกด้วยนะครับพี่น้องครับผมอยากจะสรุปนะครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกว่ามีสามรูปแบบนะครับที่พระเยซูเผชิญกับการทดลองรูปแบบแรกก็คือนะครับ การเผชิญกับตันหาของเนื้อหนังครับภาษาอังกฤษว่า the last of flesh นะครับอันที่สองก็คือรูปแบบที่เผชิญกับความหงิ่งยโสความภาคภูมิใจในชีวิตนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า the pride of life นะครับและก็สุดท้ายครับนะครับ the last of the eyes ก็คือตัญหาของตานะครับซึ่งทั้งหมดนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมมัติวบทที่สี่นะครับพี่น้องครับ ในเช้าวันนี้เรามีบทเรียนมากมายครับนะ บ, บทเรียนประการแรกก็คือในพัมพีหนึ่งโคดินบทที่สิบข้อสิบสามนะครับเรามีพระเจ้านะครับที่จะไม่ปล่อยนะครับให้เราถูกทดลองเกินกว่าที่เราจะทนได้ครับนะครับและและทางออกของการทดลองที่จะนําไปสู่ชัยชนะเหมือนกับพระเยซูนําไปสู่ชัยชนะด้วยกันนะครับ ก็คือพอระองค์ได้ตอบสนองโดยใช้พระชนะของพระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานะครับได้ชุ่มฉ่ำนะครับหรือได้ชุ่มโชคอิ่มเอิบนะครับเต็มนะครับล้นด้วยพระชนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธอาเมน